สสติวักหมวดว่าด้วยสติสัมปัญญาหนึ่งสติสัมปัญญาสูตรว่าด้วยผลแห่งสติสัมปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปัญญาไม่มีหิริและโอตปะของบุคคลผู้มีสติสัมปัญญะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อหิริและโอตปะไม่มี อินเสียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินเสียสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินเสียสังวรวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยะถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานัทสนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุติยานัทสนะของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่า มีเหตุถูกระจัดแล้วภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตปะของบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกระจัดแล้วเมื่อหิริและอตปะไม่มี สีสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกรจัดแล้วและถึงวิมุติยานัศสนะของบุคคลผู้มีนิพพทาและวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกรจัดแล้วฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีหิริและโอตปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อหิริและโอตปะมีอินสียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินสียสังวรมีศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินสียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมี ยะถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยะถาภูตยานัทสนะมีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตยานัทสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุติยานัทสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเกเยตเปลือกกระพีแม้แขนของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีหิริและโอตปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อหิริและโอตปะมีอินสีสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์และถึงวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ฉันนั้นเหมือนกันสติสัมปัญญสูตรที่หนึ่งจบ ปุณิะสูตรว่าด้วยพระบุณิยะครั้งนั้นท่านพระบุณิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระธรรมเทศนาของพระธราคตแจ่มแจ้งในบางคราวแต่ในบางคราวกลับไม่แจ่มแจ้ง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณิยะภิษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งแต่เมื่อใดพิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณิยะพิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้ละถึงเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถาม สอบถามแต่ไม่เงี่ยโสฟังธรรมเงี่ยโสฟังธรรมแต่ฟังธรรมแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ได้ฟังแล้วทรงจาไว้ได้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาไว้ได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาไว้ได้แต่หาใช่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งปุญ ญ, ญะ แต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยสวดฟังธรรมฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เป็นผู้รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุญญะธรรมเทศนาของตถาคตประกอบด้วยธรรมแประการ น, นี้แล จึงแจ่มแจ้งโดยแท้ปุ ญ, ญิยาสูตรที่สองจบ 3. ม, มูลกะสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม ท, ท้งปวงภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่า 1. นึ่งธรรม ท, ท้งปวงมีอะไรเป็นมูลเหตุ 2. องธรรม ท, ท้งปวงมีอะไรเป็นแดนเกิด 3. ามธรรม ท, ท้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด สี่ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุมห้าทำทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุกหกทำทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ 7. จ็ดททั้งปวงมีอะไรเป็นยิ่ง 8. ปดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นเธอทั้งหลายถูกถามแล้วอย่างนี้จะพึงตอบอั ญ, ญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 4. ีาทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุม 5. ้าทำทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุข 6. กทำทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ 7. จ็ดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นยิ่ง 8. ปดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญเดรถิปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า 1. ทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลสองทำทั้งปวงมีมนสัสการเป็นแดนเกิดสามทำทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิดสีท่ทำทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมห้าทำทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขหก 6. ทำทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่เจ็ดทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยิ่งแปด ถามทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดรธิปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้แลมูลกะสูตรที่สามจบ โจรสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมของมหาโจรภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วย อ, องค์แปดประการย่อมเสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้ไม่นานองค์แปดประการอะไรบ้างคือ 1. ทำร้ายคนที่ไม่โต้อตอบ 2. ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. คฆ่าผู้หญิง 4. คขมขืนเด็กหญิงห ปล้นนักบวชหปล้นท้องพระคลัง 7. ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป 8. ไม่ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แหลย่อมเสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้ไม่นานภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ปประการย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้นาน องแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำร้ายคนที่ไม่โต้อตอบ 2. ไม่ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. ไม่ฆ่าผู้หญิง 4. ไม่ค่มขืนเด็กหญิง 5. ไม่ปล้นนักบวช 6. ไม่ปล้นท้องพระคลัง 7. ไม่ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป 8. ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แหละย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้นานโจรสูตรที่สี่จบ 5. สมณะสูตรว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย 1. คําคำว่าสมณะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. คํคำว่าพราม เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. คำว่าเวทคูเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. คำว่าพิสักกะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. าคำว่านิมมลเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หกคำว่าวิมละเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า7จ็ดคำว่ายานีเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า8ปดคำว่าวิมุตตะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ผู้เป็นสมณะผู้เป็นพราหมณ์ อยู่จบพรหมจรรย์พึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้จบเวทผู้เป็นสัญญแพทย์พึงบรรลุสิ่งใดที่ผู้หมดมณทินผู้ปลอดมณทินผู้สะอาดพึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้ได้ยานผู้หลุดพ้นพึงบรรลุสิ่งนั้นๆเราบรรลุแล้วเรานั้นเป็นผู้ชนะสงครามเป็นผู้หลุดพ้นเปลืองมหาชนจากเครื่องผูก เราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอเศขะบุคคลปรินิพานแล้วสมณสูตรที่ห้าจบ 6. ยศะ ส, ะสูตรว่าด้วยยศ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์แคว้นโกศลชื่ออิชานังคละณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ราวป่าชื่ออิชานังคละใกล้หมู่บ้านพราหม์ชื่ออิจชานังคละพวกพราหมณ์และขหาบดีชาวบ้านอิชานังคละได้ทราบข่าวว่าท่านพระสมณโคดมสักยบุตร ทรงออกผนวจจากศักยะตรกูลเสด็จถึงบ้านอิจฉานนังคละประทับอยู่ที่ราวป่าอิฉานนังคละใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิจฉา น, นังคละท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึง ก็การได้พบพระอาหารหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้นคืนผ่านไปพราหมและขะปดีชาวบ้านอิจฉานังคละจึงพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากก็ไปถึงราวป่าชื่ออิจฉานังคละได้ยืนชุมนุมกันทรงเสียงอื้อๆที่ซุ้มประตูด้านนอกสมัยนั้นแหลท่านพระนาคิตะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระนาคิตะมาตรามว่านาคิตะคนพวกไหนทรงเสียงอื้ออืองอยู่นั้นคล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามและข้าบดีชาวบ้านอิฉานนคระเหล่านั้นพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอก เพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคข ม, มสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขและสัมโพธิสุขที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ คู่นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับและสุขที่อิงอาศัยลาบสักระและการสรรเสริญท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุขสดจงทรงรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะทรงรับพระองค์จากเสด็จไปทางใด ข้าพรามข้าพดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จากหลังไหลไปทางนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงมาน้ำย่อมไหลไปตามที่ลุ่มข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีศีลและปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเรา ผู้ดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขมมะสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับสุขที่อิงอาศัยลาบสักระและการสรรเสริญนาคิตะแม้แต่เทวดาบางพวกก็ไม่ได้ตามความปรารถนา ไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขมมสสุละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้นาคิตะแม้แต่พวกเธอมาประชุมพร้อมหน้ากันมันประกอบการอยู่ครุกคลีอยู่ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขมัสสุละถึง ที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากนี้เพราะท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมหน้ากันมันประกอบการอยู่คลุกคลีอยู่หนึ่งเราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ใช้นิ้วจี้สัพยอกเล่นหัวกันอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านั้นไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยาก ไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคข ม, มะสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาละถึงเพราะท่านเหล่านี้ใช้นิ้วจี้สัพยอกเล่นหัวกันอยู่ 2. เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารตามต้องการจนอิ่มท้องแล้วมันประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกคเนกและความสุขในการหลับอยู่ เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนคขมะสุขและถึงที่เราได้ตามความปรารถนาและถึงเพราะท่านเหล่านี้ชั้นอาหารตามต้องการจนอิ่มท้องแล้วมันประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนเนกและความสุขในการหลับอยู่ส เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านมีสมาธินั่งอยู่เรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้คนวัดหรือสมนุตเทศจากบำรงท่านผู้นี้จากทาให้ท่านเคลื่อนจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุนั้น 4. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัด นั่งโงกงวงอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักบรรเทาความลําบากคือการหลับนี้แล้วมนัสการความกําหนดหมายว่าป่าเป็นเอกขตารมเพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นหเราเห็นภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดไม่มีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้ท่านผู้นี้จักตั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิหรือจักตามรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ป่าของพิกษุนั้น 6. เราเห็นพิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักเบล่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้น หรือจักตามรักษาจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วไว้ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 7. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านได้จีวรบินตาบาดเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศปริขารเธอพอใจลาบสักระและการสรรเสริญนั้นละทิ้งการหลกเร้นละทิ้งเสนาสนะอันสังัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ เข้ามารวมกันอยู่ตามหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุนั้น8เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศสารปริรขารเธอสลัดลาบสักร ะ, ระและการสรรเสริญนั้นไม่ละทิ้งการหลีกเร้น ไม่ละทิ้งเศนาสนะอันสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีกับการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นสมัยใดเราเดินทางไกลไม่เห็นใครๆข้างหน้าหรือข้างหลังสมัยนั้นเราย่อมมีความพาสุกโดยที่สุดแม้แต่การถ่ายอุจระและปัสสาวะยะ ส, ะสูตรที่หจบ ปัตตนิกุศชนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการคว่มบาตรและหงาบาตรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงคว่มบาตรต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองแป8ประการองแปดประการอะไรบ้างคือ 1. นขนควายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลายสขนควายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย สามค้นควายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลายสี่ด่าบริภาพภิกษุทั้งหลายห้ายุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกันหกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าเจ็ดกล่าวติเตียนพระธรรมแปกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงคว่มบาต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แประการนี้แล ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงงายบ่าต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วย อ, องค์8ประการทำแปประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ไม่ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย 4. ไม่ด่าไม่บริภาพภิกษุทั้งหลาย หมืไม่ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 7. กล่าวสรรเสริญพระธรรม 8. กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสง์เมื่อมุ่งหวังเพืง่งายบาต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลปัตติกุตชนะสูตรที่7จบ8ปอ า, าปะสาท่ปเวทนิยสูตร ว่าด้วยเหตุที่ควรประกาศว่าไม่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความไม่เลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปประการธรรมแประการอะไรบ้างคือ 1. นึขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของครหัดทั้งหลาย 2. องขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของครหัดทั้งหลาย 3. ด่าบริภาคครหัดทั้งหลาย 4. ยุโยงเคราะหทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 6. กล่าวติเตียนพระธรรม 7. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 8. อุบาสกทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นในอโคจรภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความไม่เลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ปประการนี้แลภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวัง คือประกาศความเลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการธรรมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ข้นขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของครหัตทั้งหลาย 2. ไม่ข้นขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของครหัตทั้งหลาย 3. ไม่ดา่าไม่บริภาสครหัตทั้งหลาย 4. ไม่ยุยงครหัตทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า กล่าวสรรเสริญพระธรรมเจ็ดกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์แปดอุบาสกทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นในโคโจรภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความเลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลอัภิษฎะปะเวทนียสูตรที่8จบ เาปฏิสารนิยสูตรว่าด้วยเหตุที่ควรลงปฏิสารนิยกรรมภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารนิยกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการธรรมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของขอรหัตทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของขอรหัตทั้งหลาย สด่าบริภาทขรหัตทั้งหลาย 4. ยุยงขรหัตทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 6. ก, กล่าวติเตียนพระธรรม 7. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 8. รับคำที่ชอบทำของขรหัตแต่ไม่ทำตามภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ปประการนี้แล ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยทำแปดประการทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของครหัสทั้งหลาย 2. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของครหัสทั้งหลาย 3. ไม่ดา่าไม่บริภาษครหัสทั้งหลาย 4. ไม่ยุยงครหัสทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 6. กล่าวสรรเสริญพระธรรม 7. กล่าวสรรเสริญพระสมแปรับคำที่ชอบธรรมของครหัดแล้วทำตามภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงระ ง, งับปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปประการนี้แลปฏิสารณียสูตรที่9าจบ 10. สัมมาวตนะสูตร ว่าด้วยการประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงตัสปาปิยะสิกากรรมแล้วพึงประพฤติชอบในธรรมแปดประการคือ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาค 4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงรับสมมติอะไรอะไรจากสง 7. ไม่พึงดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอะไรอะไร 8. ไม่พึงให้ประพฤติวุถานวิธีเพราะตำแหน่งเดิมนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงตาสปาปิยาศิกากรรมแล้วพึงประพฤติชอบในธรรมแปดประการ น, นี้แล สัมมาวตนะสูตรที่10จบสติวัคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวัค์นี้คือ 1. สติสัมปชัญญะสูตร 2. ปุญญะสูตร 3. มูลกะสูตร 4. โจรสูตร 5. สมณะสูตร 6. ยะสะสูตร 7. ปัตตนิกุชณะสูตร 8. อาภาษาทะปะเวทนิยสูตรเก้าปฏิสารณิยสูตรสิบสัมมาวัตนสูตรห้าสามัญวัษรหมวดว่าด้วยธรรมที่เหมือนกัน โคชาอุบาสิกาสิริมาอุบาสิกาปทุมาอุบาสิกาสุธรรมาอุบาสิกามนุชาอุบาสิกาอุตราอุบาสิกามุตตาอุบาสิกาเขมาอุบาสิการุจีอุบาสิกาจุนทีราชกุมารีพิมพีอุบาสิกาสุมาณาราชกุมารีมลิกาเทวีติสาอุบาสิกา ดิสมาตาอุบาสิกาโสนาอุบาสิกาโสนมาตาอุบาสิกากาณาอุบาสิกากานมาตาอุบาสิกาอุตรานันทมาตาอุบาสิกาวิสาขามิคาระมาตาอุบาสิกาขุชุตราอุบาสิกาสามาวดีอุบาสิกาสุปวัสสโกริยทิดาสุปิยาอุบาสิกานกุลามาตาขหปตานี สามัญวัคที่หจบทุติยปัญนญนาจบราคาระไปยานภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัด ทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบสามสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทาชอบ 5. าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งมีรูปปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นสองภิกษุรูปหนึ่งมีรูปปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอขนาดใหญ่ มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 3. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 4. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่ มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 5. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 6. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปประสัญญาภายใน เห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบเรื่องของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 7. ภิกษุรูปหนึ่งมีรูประสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบเรื่องของแดงมีสีแดงเข้มครอบเมือมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 8. ภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้อยของขาวมีสีขาวเข้มครอบมันรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปประการเพื่อรู้ยิ่งราคะ ทำแปรประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลาย 2. ภิกษุผู้มีอรูปปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. ภิกษุเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น 4. ภิกษุบรรลุอากาศานัญจายตนะาฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปปสัญญาดับปฏิฆะสัญญา ไม่กำหนดหนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวง 5. ภิกษุล่วงอากาสารานจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณานจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 6. กิกษุล่วงวิญญาณานจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายจตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เจ็ด ภิกษุล <Paris> <laughs> ่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ 8. ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินิโรตอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการ เพื่อกำหนดรู้ราคาละถึงเพื่อความสิ้นราคาเพื่อละราคาเพื่อความสิ้นไปแห่งราคาเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคาเพื่อความคลายไปแห่งราคาเพื่อความดับไปแห่งราคาเพื่อความสละราคาเพื่อความสละคืนราคาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการนี้เพื่อความสละคืนราคาละถึง ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทำแปดประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุสร้ายละถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะ โมหะความหลงโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัฉริยะความตรณีมายามานยาสาเทยะความโอ้อวดธรรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมาณะความถือตัวอติมาณะ ความโดหมิ่นเขามะทะความมัวเมาปมาทะความประมาทและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญทาแปดประการนี้เพื่อความสละคืนปนปมาทะราคะเปยายานจบอัตกะนิบาตจบบริบูรณ์